สวรรค์อันเกิดจากการรักษาศีลจะทําโดยถนอมศีลสซ้อยดันหลังจากทาความรู้จักสวรรค์อันเกิดจากการทําทานคุณคงสังเกตว่าบุญที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตวิญญาณมักเป็นบุญที่โยงใาญ่ไปถึงสวรรค์ยิ่งยกระดับจิตวิญญาณสูงขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิงยกระดับชั้นสวรรค์ให้สูงขึ้นเท่านั้นบุญที่เหนือกว่าทานเพราะยกระดับจิตวิญญาณขึ้นสู่เขตความปลอดภัยไร้การเบียดเบียนได้แก่ศีลเหตุเพราะเมื่อทั้งชีวิตของคุณเป็นที่ตั้งของความปลอดภัยความรู้สึกปลอดโปรง่งเบากายเบาจิตย่อมบังเกิดเป็นปกติอีกทั้งมีความอุ่นใจว่าได้เดินตามรอยบาทพระศาสดา มีความเข้าพวกกันกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สมควรได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในพุทธศาสนาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุญญาพิสันทสูตรความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศล8ปดประการนี้นำความสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจว่วงบุญห่วงกุศลแปดประการนั้นได้แก่การเข้าถึงสารณะสามประการรวมกับทานอีกห้าประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเข้าถึงสารณะสามประการคือถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทาน5ประการนี้เป็นมหาทานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยมานานบัณฑิตไม่เคยรังเกียจและจะไม่รังเกียจเลยนั่นคือทานที่หนึ่งเว้นขาดจากการเป็นผู้ฆ่าทานที่สองเว้นขาดจากการเป็นผู้ขโมยทานที่สเว้นขาดจากการเป็นผู้ผิดลูกผิดเมียทานที่สี่ เว้นขาดจากการเป็นผู้พูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อฐานที่หเว้นขาดจากการเป็นผู้เสพเครื่องมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเว้นขาดจากการสร้างภัยยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแจกจ่ายไปแก่สัตว์หาประมาณมิได้ นั้นให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนหาประมาณมิได้ให้แก่ตนเองด้วยเช่นกันหากยังสงสัยว่าศีลเป็นมหาทานได้อย่างไรก็ต้องอาศัยจิตของคุณเองเป็นที่ตั้งในการทําความเข้าใจ ตื่นนอนในเช้าวันใดก็ตามขอให้ตั้งเจตนาไว้ล่วงหน้าว่าเป็นตายอย่างไรวันนี้จะไม่ผิดศีลจากนั้นก็ใช้ชีวิตไปตามปกติอาถรรพ์ของศีลมักเกิดกับคนเพิ่งตั้งใจคิดรักษาภายในวันนั้นหรือวันต่อๆมาไม่นานมักเกิดเรื่องลองใจมีเหตุยั่วยุให้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจอกันมากคือมีเหตุให้ต้องโป้ปดมดเท็จซึ่งดูจำเป็นเละเกินน่าให้บิดเบือนความจริงเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเละเกินเมื่อเจอเรื่องเช่นนั้นให้ระลึกถึงความตั้งใจจริงที่จะรักษาศีลพูดตรงไปตรงมาหรือพูดความจริงเท่าที่จะไม่ก่อความเสียหายให้กับใครจากนั้น สังเกตใจตัวเองดูจะมีปรากฏการเข้มแข็งอยู่กับความจริงขึ้นมาชั่วขณะจิตหนึ่งและณนะชั่วขณะจิตนั้นคุณจะรู้สึกถึงอาการสละออกคือถอดถอนประโยชน์ส่วนตัวยกประโยชน์ให้คนอื่นด้วยความจริงที่คุณกล่าวออกไปตรงไปตรงมาจากนั้นขอเพียงคุณไม่ติดใจอะไรไม่เสียดาย เลิกหวงแหนประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการกล่าวคำเท็จคุณจะรู้สึกถึงสภาพทางใจที่สว่างสะอาดปลอดโปรง่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกับภาวะหลังโกหกที่เคยเคยทำใจที่คิดให้ประโยชน์ผู้อื่นแม้โดยการไม่ฉกชิงสิทธิในการรับรู้ความจริงมาจากชีวิตเขาทำครั้งเดียวก็สบายใจแล้วถ้าทาทั้งชีวิต ก็ไม่น่าสงสัยว่าต้องเป็นชีวิตที่อิ่มเอมด้วยความสบายใจอยู่กับความจริงที่ตรงไปตรงมาไม่บิดเบี้ยวเป็นแน่เนี่ล่หละมาหาทานจากการเว้นขาดจากการมุสาข้อแตกต่างระหว่างทานกับมาหาทานคือการให้ทานธรรมดานั้นเดินไปที่ไหนก็ให้ได้เลยในเมื่อมีคนขอ หรือมีคนรอความอนุเคราะห์อยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งในโลกแต่โอกาสทำมหาทานอย่างเช่นการรักษาศีนั้นคุณต้องรอโอกาสให้มีสิ่งยั่วยุเข้ามาพิสูจน์ใจมาลองใจว่าจะห้ามใจได้สักกี่น้ำยิ่งต้องใช้กำลังใจมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเหมือนออกแรงชนะภาคร้ายในตนมากขึ้นเท่านั้นให้สังเกตดูความปลอดโปร่งโล่งอก หรือกระทั่งความสว่างสวัยทางจิตที่ถูกยกระดับขึ้นมาแบบปุบ ป, ปับเมื่อรักษาศีลได้สำเร็จคุณจะรู้สึกถึงความเป็นบุญกุศลรากับใช้กําลังกายในการช่วยคนให้พ้นอันตรายเลยทีเดียวความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทำให้มนุษย์ร้ายกว่าเสือดุที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บร้ากาดจะดีขนาดไหน ถ้าทำให้คนอื่นปลอดภัยถาวรได้ด้วยการเอาความร้ายกาจออกจากตัวคุณเมื่อคุณเป็นที่ตั้งของความปลอดภัยด้วยศีลก็จะได้ชื่อว่าให้เจ้าของชีวิตได้ใช้ชีวิตต่อทั้งที่ความอยากฆ่าของคุณมีสิทธิ์ทำให้สิ้นลงให้เจ้าของทรัพย์ได้มีทรัพย์ใช้ต่อทั้งที่ความอยากขโมยของคุณมีสิทธิ์ทาให้มันหายไป ให้คู่กรองได้กรองคู่ต่ออย่างสงบสุขทั้งที่ความอยากผิดการมของคุณมีสิทธิ์ทำให้พวกเขาร้าวฉานบ้านแตกเป็นเสี่ยงๆได้ให้ผู้ฟังได้ฟังความจริงทั้งที่ความอยากโกหกของคุณมีสิทธิ์ทำให้มันบิดเบือนให้ผู้คนได้ปลอดภัยทั้งที่ความเมามมยของคุณมีสิทธิ์สร้างความเสี่ยงอันตรายแก่พวกเขา เมื่อมองเห็นข้อเท็จจริงตามนี้ก็คงทำให้คุณคุณที่คิดน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาเห็นว่าตนเองไม่มีเงินซื้อสวรรค์ไม่มีกำลังใจช่วยเหลือคนอื่นแบบเตี้ยอุ้มคอมก็คงหมดข้อแก้ตัวเสียทีรอบเพียงแค่ใส่ใจรักษาศีลให้ดีก็เพียงพอแล้วที่จะประกันความสุขในปัจจุบันกับทั้งประกันวิมานสวรรค์ในอนาคตได้ ผู้ใช้ชีวิตสร้างมหาทานมีจิตอันสว่างกว้างไร้มนทินคู่ควรกับรางวัลแบบไหนลองมาดูตัวอย่างของจริงจากเรื่องสุนิธาวิมานซึ่งพระโมคคัลลานะเทระเป็นผู้พบและขอคำให้การจากนางเทพธิดาดูก่อนแม่เทพธิดาเธอเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักมีรัศมีส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศ สถิตยอยู่เหมือนดาวประกายพรึกบนท้องฟ้ายามราตรีก็ด้วยกรรมเก่าอันใดเธอจึงมีผิวพรรณงามเกลี้ยงกล่ออีกทั้งยังมีรัศมีส่องสว่างผิดทั่วทุกทิศถึงขนาดนี้นางเทพธิดาฟังคำสรรเสริญของท่านพระอัครส า, าวกฝ่ายซ้ายและบังเกิดความปราบปลื้มในบุญญาธิการแห่งตนจึงยินดีตอบไปว่าท่านเจ้าขา ข่านิเคยเป็นอุบาสิกาอยู่ในพระนครราชครึประชาชนเรียกว่าสุนิ t ธาเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยศรัท ธ, ธาในพระโคดมกับทั้งสมบูรณ์พร้อมด้วยศีลอันเหล่าอาริยาเจ้าสรรเสริญเพราะบุญกรรมนั่นแหละจึงทำให้มีวันนะงามกับทั้งมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเห็นป่านี้แน่นอนว่าหนึ่งชีวิตอันยืดยาวหลายสิบปีของคนเรา ไม่ได้ผ่านไปง่า ย, ายกับคำว่ามีศรัทธาและรักษาศีลโดยที่แท้แล้วทั้งศรัทธาและศีลเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากและยิ่งยากจะรักษาให้ได้ตลอดรอดฟังเมื่อคนเช่นนางสุนิธามีวาสนาได้พบพระพุทธเจ้ากับทั้งฟังคำสอนต่างๆของท่านแล้วเกิดความศรัทธาอย่างล้นเกล้าปักใจไม่เป็นอื่นในธรรมะที่พระองค์เปิดเผย ดุดงางของความนางก็จับทางได้แม่นๆว่าชีวิตต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับและนางก็แน่วแน่อยู่บนเส้นทางของการรักษาศีลไม่เสื่อมคลายไม่ถอยห่างจากวิถีชีวิตแบบพุทธคืออยู่อย่างไม่เบียดเบียนกันตามที่นางเลือกเหล่านั้นแน่นอนนางเริ่มจากหักห้ามฝืนใจในเบื้องต้นด้วยความอึดอัด แล้วตามด้วยทนทานต่อสิ่งยั่วยุง่ายขึ้นจากนั้นก็จบด้วยใจสบายด้วยการไม่ใส่ใจสิ่งยั่วยุตั้งแต่แรกนี่เป็นเส้นทางสามัญของผู้รักษาศีลด้านตลอดรอดฟังที่นางสุนิธาเทธิดาขึ้นมาสวยสวรรค์มีผิวพรรณวันนะงาม ง, งดสดสะพรัง่งดูเฉิดฉายไร้มนทินบาดตาบาดใจผู้พบเห็นนั้น ก็คือ น, นิมิตหมายที่แสดงการตกผลึกของความสุขสว่างอาภาแห่งศีลนั่นเองความจริงก็คือรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณดีบนสวรรค์จิตวิญญาณมักดีตามเพราะกําเนิดบนสวรรค์เป็นชนิดผุดเกิดขึ้นเลยความทรงจําและญาณทิพย์รู้เห็นต้นเหตุแห่งความงามจึงยังคงอยู่แต่รูปร่างหน้าตาดีบนโลกมนุษย์ จิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องดีตามเนื่องจากกำเนิดมนุษย์นั้นมีกระบวนการล้างความจำนานถึงเก้าเดือนขอให้ลองนึกดูว่าถ้าคุณจะต้องนอนหลับคุดคูอยู่ในที่แคบไม่ได้ทำอะไรนอกจากฝันวกววนไปเรื่อยเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีจะมีอะไรเหลือในความทรงจาอยู่ได้และเมื่อไม่เหลือความทรงจาใดๆเลยเกิดมาเห็นแต่ว่าตัวเองหล่อสวยรวยเก่ง ก็ยอมเกิดความรู้สึกว่าฉันเหมือนเทวดาหรือหนักกว่านั้นฉันคือ น, นางฟ้าและดูเหมือนไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ควรหลงตัวว่าเหนือกว่าคนอื่นความหลงลืมเหตุผลของการได้ดีมีสุขนั่นเองคือเหตุครอบงาจิตใจและใช้ชีวิตแบบชั่วชๆว ด, ดีตามอารมณ์และความหลงตัวก็มักบันดาลให้ชั่วโดยไม่รู้ตัว มากกว่าจะฝืนดีไปเพื่ออะไรก็ไม่ทราบจนกว่าจะพบครูบาอาจารย์ที่ก่อให้เกิดศรัทธาในความดีได้ใหม่ศีลจึงค่อยเริ่มก่อตัวใหม่ตามอีกครั้งแต่ถ้าเป็นชาติที่ขาดแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงก็สุมเสียงอย่างมากที่จะเป็นคนทุศีลเรื่อยไปจนสิ้นชีวิต